มีปัญญายิ่งมีวิมุตเป็นสาระมีสติเป็นใหญ่อยู่เถิดดูกานพิสูุนทั้งหลายเมื่อเธอทั้งหลายมีศิก้าเป็นอนิสงส์มีปัญญายิ่งมีวิมุตเป็นสาระมีสติเป็นใหญ่อยู่พึงหวังผลสองอย่างอย่างใดอย่างหนึ่งคืออรหัตผลในปัจจุบันหรือเมื่อ ย, ยังมีอุ ป, ปาทานเหลืออยู่ก็เป็นท่านาคามี เมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสเนื้อความนี้แล้วในพระสูตรนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสคาถาประพันธ์ดังนี้ว่าเรากล่าวมุนีผู้มีศีรขาบริบูรณ์มีความไม่เสื่อมเป็นธรรมดามีปัญญายิ่งมีปกติเห็นที่สุดคือความสิ้นไปแห่งชาติผู้ทรงไว้ซึ่งกายอันมีในที่สุดนั้นแลว่าผู้ละมานผู้ถึงฝั่งแห่งชรา เพราะเหตุนั้นพิกสู่ทั้งหลายเธอทั้งหลายจงเป็นผู้ยินดีในชาญมีจิตตั้งมั่นแล้วในกาละทุกเมื่อมีความเพียรมีปกติเห็นที่สุดคือความสิ้นไปแห่งชาติครอบงำมานพร้อมด้วยเสยนาได้แล้วเป็นผู้ถึงฝั่งแห่งชาติและมรณะนะครับนี่ก็ในศิกขาสูตรนั่นนะ ในอัตถกาถาที่บายว่าชื่อว่าสิกขาในบทว่าสิกขานีสังสาชื่อว่าสิกขาเนี่ยเพราะต้องศึกษาว่างั้นเถอะสิกขานั้นมีสามอย่างนะครับคืออธิศีลสิกขาหนึ่งอธิจิตสิกขานี่ยหนึ่งอธิปัญญาสิกขานี่ยหนึ่งสิกขาสามมันนะเพราะจะต้องศึกษาทั้ง3อย่างนี่แหละเชื่อว่าสิกขาหนี้สังสาเพราะมีสิกขาสามอย่างนั้นเป็นอนิสงส์ไม่ใช่ลาบสการะและความสารเสริญนะครับ คือให้ประพฤติตัวเพื่อหวังอนิสงค์คือ4อธิศีลอธิจิตและอธิปัญญานะจะต้องไม่หวังอย่างอื่นจากอธิศีลอธิจิตและอธิปัญญานะครับเช่นลาบสการะและความสรรเสริญคําว่าลาบนั้นนะครับเป็นชื่อของการได้ปัจจัยสี่นะครับการประพฤติพรหมจรรย์เป็นต้นเนี่ยไม่ใช่ประสงค์ปัจจยัย4นะ สการะก็คือการให้ปัจใจศีโดยความเคารพนะครับการกราบการไหว้เป็นต้นหนาชื่อว่าสการะความสารเสริญก็คือชื่อเสียงการยกย่องนะว่าเป็นผู้มีศีลเป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นการบำเพ็ญพรหมจรรย์นี้ก็ต้องไม่ประสงค์แบบนั้นนะครับไม่ประสงค์ลาบสการะและความสารเสินนะครับพระองค์ให้มีอธิศีลเป็นอนิสงส์มีอธิจิตเป็นอนิสงส์แล้วก็มีอธิปั ญ, ญานี้เป็นอนิสงส์นะครับ บทว่าวิหรารธะได้แก่เธอทั้งหลายจงเป็นผู้มีศิกษาเป็นอนิสองส์อยู่เธออธิบายว่าเธอทั้งหลายจงเป็นผู้เห็นอนิสงส์ในศิกษาสามอย่างนั้นคือเห็นอนิสงส์ที่ควรจะได้ด้วยศิกษาสามอย่างนั้นอยู่เธอนะให้ควรจะได้นะ ใ, ในสิกษาสามเนี่ยนะบทว่าปัญญาตราความว่าเชื่อว่ามีปัญญายิ่งนะครับ เพราะในศิกขาสามอย่างนั้นน่ะมีปัญญาได้แก่อธิปัญญาศิกขาปัญญานั้นยิ่งคือเป็นประธานประเสริฐสุดอธิบายว่าผู้มีศิกขาเป็นอนิสงค์อยู่ผู้มีปัญญายิ่งนะครับเพราะว่าในบรรดาศิกขา3าเนี่ยนะอธิศีล อ, อธิจิตและอธิปัญญานั้นอธิปัญญานี้ยิ่งกว่าศิกขาที่เหลืออยู่แล้วเพราะฉะนั้นให้มีศิกขาทั้งสาเป็นอนิสงค์แล้วก็ยิ่งด้วยปัญญานะครับ บทว่าวิมุตติสาระได้แก่ชื่อว่ามีวิมุตเป็นสาระนะครับเพราะมีวิมุตอันได้แก่อรหัตผลเป็นสาระนะครับอธิบายว่าถือเอาวิมุต ต, ตามที่กล่าวแล้วนั่นแลคืออรหัตผลนี่นะครับโดยความเป็นสาระแล้วตั้งอยู่จริงอยู่ผู้ที่มีศึกษาเป็นอนิสงและมีปัญญายิ่งย่อมไม่ปรารถนาพบวิเศษนะครับถ้าบริบูรณ์ด้วยศึกษา3ามเนี่ยนะครับ มีปัญญายิ่งเนี่ยนะบำเพ็ญไตรสิกขาจริงๆก็จะไม่ประสงค์สวรรค์หรือจะไม่ประสงค์พรหมโลกจะไม่ประสองค์อรู ป, ปรพรหมอะไรสักอย่างนะครับเพราะอะไรครับเพราะว่าต้องการวิมุตินะครับเป็นแก่นสารจริงๆคืออรหัตผลอีกอย่างหนึ่งชนทั้งหลายหวังความเจริญย่อมปราถนาวิมุติเท่านั้นโดยความเป็นสาระนะครับคนที่หวังความเจริญทั่วๆไปเนี่ยนะครับก็ปราถนาวิมุติเท่านั้นใช่ไหมครับ บอว่าสตาทิปัตยาได้แก่ชื่อว่ามีสติเป็นใหญ่เพราะมีสติเป็นใหญ่ด้วยอัตถะว่าทำให้เจริญคำว่าใหญ่นี่คือทำให้เจริญเจริญบริบูรณ์ด้วยสตินะครับอธิปฏินั่นและทำให้เป็นอธิปัตยังอธิบายว่ามีจิตตั้งมั่นในสติปัฏฐาน4ี่คนขวาในการเจริญสมถะและวิปัสนาด้วยหลักวิปัสนามีกายานุปัสนาเป็นต้นนะครับ กายบวกอนุปัสนาเรียกว่ากายานุปัสนาอนุปัสนาเป็นชื่อของอะไรครับเป็นชื่อของอนุปัสนาเจดอย่างมีอนิจจานุปัสนาทุกขานุปัสนาอนัตตานุป au ัสนานิพพานุปัสนาวิราคานุปัสนานิโรธานุปัสนาและปฏินิสคานุปัสนาในกายนะครับหมายความว่ามีอนุปัสนาเจ็ดพิจารณากายเรียกว่ากายานุปัสนาเป็นต้นนะ อีกอย่างหนึ่งเพิ่งทราบความในบทนี้อย่างนี้ว่าดูก่อนพิสูจนทั้งหลายเธอทั้งหลายจงเป็นผู้มีศิกษาเป็นอนิสงฆ์ทำการศึกษาศึกษาสามอย่างในการได้ขณะที่ได้ยากเห็นปานี้ให้เป็นอนิสงฆ์อยู่เถิดนะนะสังเกตดูนะว่าเธอทั้งหลายเป็นผู้มีศึกษาเป็นอนิสงฆ์กระทาการศึกษาศึกษาสมอย่างคือหมายคือว่าศึกษาอาธิศีนเพื่อให้อธิสินบริบูรณ ศึกษาจิตตะศิขาเพื่อให้อธิจิตตะศิขาบริบูรณ์ศึกษาปัญญาเพื่อให้อธิปัญญาบริบูรณ์ไม่หวังผลเป็นอย่างอื่นนะนะเพราะว่าขณะที่ได้ลักษณะนี้หาได้ยากถามว่ายากยากยังไงครับความยากเหล่านี้เนี่ยนะแบ่งออกเป็นกลุ่มนะครับเช่นชีวิตของเราเองก่อนชีวิตของเราเองเนี่ยนะครับกว่าจะมาเป็นมนุษย์เนี่ยยากคิดดูนะว่าภพภูมิในอาบายนี่มีเท่าไหร่นะครับนรกมีกี่ขุมอ่ะ นรกมีเป็นร้อยขุมนะครับเออเราก็พ้นจากสภาพนรกแล้วในช่วงนี้นะไม่ได้พูดในขณะอนาคตนะแต่ว่าขณะเนี้ยนรกเนี่ยก็ไม่ไปแล้วก็เดราชานเนี่ยครับมีกี่จําพวกก็ไม่ได้เกิดเป็นเดรฉ า, านเปรตนี่มีกี่จําพวกเราก็ไม่ได้เกิดเป็นเปรตนะครับทีนี้ในก็ได้มาเกิดเป็นคนทีนี้ในบรรดาคนทั้งหลายนี่นะครับเราก็คิดดูว่าประเทศที่ไม่ได้นับถือพระาศาสนาเนี่ยนะครับมีขนาดไหน หรือเทียบโดยอวัยวะร่างกา ย, นยมนุษย์ที่ไม่พิการมีเท่าไหร่ครับที่ไม่พิการทางร่างกายไม่พิการทางตาหูจมูกลิ้นหรือว่าร่างกายไม่พิการทางความคิดนะครับเช่นเป็นคนบา้าเป็นคนหนวกเป็นคนที่ว่าไม่สมประกอบเป็นต้นเนี่ยนะเออสิ่งเหล่านี้เราก็ได้หมดนะครับแล้วถ้าถ้าพูดในลักษณะเราเป็นพระพิสูจน์นะครับเราไม่เป็นหญิงเพราะถ้าเป็นหญิงเนี่ยจะมาเป็นแบบนี้ก็ไม่ได้นะครับ ผู้หญิงจํานวนมากมายที่ปรารถนาแบบนี้เขาก็ไม่ได้สภาพแบบนี้อะไรนะครับเพราะฉะนั้นเป็นหญิงหรือแม้แต่เป็นชายร้ายคนก็ต้องมีพันธะมีภาระมีหน้าที่ที่จะต้องต้องกระทำมันนะซึ่งอาจจะด้วยเหตุผลใดก็ตามแต่ว่าจนปลีกตัวไม่ได้นะเพราะฉะนั้นกว่าโอกาสที่จะได้มาในลักษณะนี้มาบวชลักษณะนี้หายากมากคิดดูนะในบนอาณาเขตบริเวณกล้าน่นใกล้เรือนเคียงของเราเป็นต้นเนี่นะ คนที่จะมีมาบวชเนี่ยมีกี่คนนะครับทีนี้ในบรรดาการบวชเนี่ยนะครับเมืองไทยนี่ก็บวชเป็นแสนทีนี้ในจำนํำนวนพระพิสูจน์ที่บวชเนี่ยนะครับที่ท่านได้รักษาศิกขาเนี่ยมีเท่าไหร่นะท่านมารักษาพระวินัยเนี่ยมีเท่าไหร่อันนี้วินัยก่อนที่รักษาอธิจิตตสิกขาอธิปัญญาตสิกขาเนี่ยมีอีกขนาดไหน คือที่บอกว่ารักษาศีลเนี่ยมีเท่าไหร่หมายถึงว่าทําศีลให้บริบูรณ์นะครับหมายเอาพระพิสูจน์ที่ทําศีลให้บริบูรณ์แต่ว่าศีลโดยทั่วๆไปก็มีละแต่ว่าไม่บริบูรณ์ที่ว่าไม่บริบูรณ์เช่นเนื่องจากขาดไม่สามารถจะรักษาพระวินัยบัญญัติให้ครบถ้วนบริบูรณ์ไม่สามารถประพฤติตามพระธรรมคําสอนเหล่านั้ น, น, นเพราะฉะนั้นก็ไม่มีศิกขาเป็นอ น, นิสงส์อะไรนะครับ เพราะฉะนั้นขณะอันนี้ได้ยากมากแล้วต่อไปนะครับขณะอีกอย่างหนึ่งก็คือขณะที่พระพุทธเจ้าจะอุบัติเกิดขึ้นมาในโลกแล้วแสดงพระธรรมคำสอนฝากเอาไว้ในโลกนะครับอันนี้ก็ยากแล้วก็คิดดูนะครับบ้านเมืองในยุคนี้เนี่ยถ้าเทียบไปแล้วก็สงบนะครับเพราะไม่มีสงครามถึงจะเศรษฐกิจก็ไม่ได้ต้องเค้นค่าการนอนไม่หลับวาาสะดุ้งอะไรนะครับเพราะฉะนั้นบ้านเมืองเศรษฐกิจเป็นต้นก็ดี การส่งเสริมพุทธศาสนาก็ยังมีบริบูรณ์นะครับเพราะฉะนั้นขณะเหล่านี้ได้โดยยากเพราะฉะนั้นเมื่อขณะเหล่านี้ได้โดยยากา ะ, ะก็ต้องขวนขวายนะครับทากระทำบาเพ็ญให้ให้มีเศขาเนี่ยเป็นอนิสงส์ถ้าขณะเห็นปานี้อย่ามันยากจริงๆนะครับอย่าปล่อยให้ล่วงไปเลยนะครับ และเมื่ออยู่อย่างนี้จงเป็นผู้มีปัญญายิ่งคือยิ่งด้วยปัญญาจงเป็นผู้ประกอบด้วยโลกุตระปัญญาอยู่เถิดครั้นเป็นอย่างนี้แล้วจงเป็นผู้มีวิมุติเป็นแก่นนะครับเป็นสาระมีนิพพานเป็นสาระไม่มีอย่างอื่นเป็นสาระอยู่เถิดข้อที่พวกเธอทั้งหลายจงเป็นผู้มีสติเป็นใหญ่จงเป็นผู้ขวนขวายในการเจริญสติปัฏฐานหรือ จงเป็นผู้มีจิตมีสติรักษาในที่ทั้งปวงอยู่เถิดนั้นเป็นอุบายแห่งความเป็นอย่างนั้นนะครับพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงชักชวนพิสูุทั้งหลายในศิกขาสามด้วยประการชนีทรงแสดงถึงอุบายที่จะให้ศิกษาสามที่ควรศึกษาถึงความบริบูรณ์โดยสังเขปนะครับทีนี้บัดนี้เมื่อจะประกาศถึงความปฏิบัตินั้นไม่เป็นโมคะนะ คือถ้าปฏิบัติเนี่ยโดยที่มีศิกษาเป็นอ น, นิสงส์มีปัญญาเป็นเป็นยิ่งเนี่ยนะครับหรือว่ายิ่งด้วยปัญญามีวิมุตติเป็นแก่นมีสติเป็นใหญ่เนี่ยนะครับก็จะหวังผลได้สองประการากนันนะไม่เป็นโมฆะนะครับถ้าปฏิบัติตามนี้นะครับถ้าปฏิบัติได้นี้ก็จะได้ผลวิเศษตามที่สอนไว้จึงตรัสคำว่าศิกขานิสังสารหนังดังนี้ในข้อนั้นมีอธิบายได้กล่าวแล้วคือมี มีอรหัตผลหรือมีมีอะไรครับมีอรหัตผลหรือว่าถ้ายังเหลืออุปาทานอยู่ก็เป็นานาคามีนะครับในคาถาทั้งหลายมีอธิบายดังต่อไปนี้ว่าปริปุลนัสิก ข, ขังได้แก่พระอ세ขะผู้มีศี ข, ขารบริบูรณ์บริสุทธิ์ด้วยบัรลุผลอันเลิศวิมุตทั้งหลายอันไม่กำเริบท่านเรียกว่าหาธรรมมีความเสื่อมเป็นธรรมดา วิมุตต์ทั้งหลายอันกำเริบท่านเรียกว่าหานธรรมมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาในบทว่าอปหานธรร ม, มังนี้ก็ปหานธรรมได้แก่มีความเสื่อมเป็นธรรมะคือธรรมดานะคือมีความกำเริบเป็นธรรมดาสุชื่อว่าอปหานธรรมโมเพราะไม่มีความเสื่อมเป็นธรรมดาคือไม่ต้องเสื่อมอีกนะครับไม่เหมือนฌานเป็นต้นะนะฌานทั้งหลายก็ยังเสื่อมอยู่ บาลีบดว่าอากุปะธรรมโมอปปหานธรรมโมดังนี้บ้างก็มีความอย่างเดียวกันเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นชื่อของอรหัตผลนั่นเองนะครับความไม่กำเริบอีกแล้วนะครับชื่อว่าขยันโตเพราะมีความสิ้นไปเป็นที่สุดความสิ้นไปแห่งชาติชื่อว่าชาติขยันโตได้แก่นิพพานนั่นเองชื่อว่าชาติขยันตะทศีเพราะเห็นนิพพานนั้น บ, บทว่าตัสมาได้แก่เพราะที่สุดแห่งการถึงฝั่งแห่งชารานี้เป็นอนิสงแห่งการทำศิกขาให้บริบูรณ์นะครับนถึงนิพพานแล้วก็พ้นจากชราแล้วใช่ไหมครับหากว่าถึงนิพพานจริงๆก็พ้นจากสภาพชราต่อไปบทว่าสทาได้แปลว่าแปลว่าตลอดการทั้งหมดนะครับบทว่าฌานาระรตาได้แก่ยินดีแล้วในฌานสองอย่าง คือยินดีแล้วในฌานคือลักคนูปนิสชาณนะครับเพ่งลักษณะหมายถึงวิปัสนาทั้งหลายนะครับอารัมมณูปนิสชานก็คือเข้าไปเพ่งอารมณ์คือมีจิตตั้งมั่นในฌานนั้นบดว่ามารังสเสนังอภิพุยะได้แก่ครอบงํา ม, มานสี่อย่างพร้อมด้วยเสนามานได้แก่เสนาคือกิเลสและเสนาคือความพินาศไม่ให้เหลือ จึงอยู่กิเลส ท, ทั้งหลายท่านเรียกว่าเสนาเพราะเข้าถึงความเป็นสหายแม้ของเทวปุตตมานในการฆ่าคุณงามความดีอันหนึ่งความพินาศมีโรคเป็นต้นก็เป็นเสนาของมัจจุราชนะครับหรือเสนาของมัจจุมานเนี่ยนะครับนะกิเลสเป็นเสนามาณเนี่ยกิเลสก็เป็นเสนามานนะครับโรคภัยไข้เจ็บก็เป็นเสนามานนะครับ เหมือนอย่างที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ในประธานิยสูตรคู่ตการนิกายสุด ต, ตะนิบัตนะครับว่ากามาเตปธรมาเสนาทุติยาอารติวุจจตินะครับตาติยาคุ ป, ปิปาซาเตจะตุดทีตันหาปวุจจติเป็นต้นนะนะว่ากามทั้งหลายเหล่านั้นท่านกล่าวว่าเป็นเสนาที่หนึ่งะครับเสนาที่หนึ่งของมาร น, น, นะคือกามทั้งหลายนั่นเองนะครับวัตถุกามกิเลสกาลเนี่ยนะโดยเฉพาะกิเลสกามที่เป็นไปกับวัตถุกามเนี่ยเป็นเสนาที่หนึ่งของมารเหมืนั้น เสนาที่หนึ่งของกิเลสมาเนี่ยนะฤศยาเป็นเสนาที่สองนะครับอรตินะอารติวุตจตินี่นะครับที่จริงนะน่าจะแปลว่าความไม่ยินดีนะครับนะความไม่ยินดีเป็นเสนาที่สองนะครับไม่ใช่ริษยานะอารตินั้นเป็นชื่อของการไม่ยินดีในเสนาสนะอันสงัดนะครับไม่ยินดีในเสนาสนะอันสงัดไม่ยินดีในการบําเพ็ญอาทิ อาทิศีลและสิขาอาทิจิตสิกขาเป็นต้นนะครับมีใจผูกพันไปในกามพูดแบบสํานวนอีกหนึ่งก็คือมันกสัน่ะนะเรียกว่าอารตินะครับเป็นเสนาที่สองความอยากความกระหายเป็นเสนาที่สามนะครับคุปปิปาสาว่าไงละครับความอยากความกระหายนะครับมาฟหอกคุปปิปาสาก็ทําให้นึกถึงอะไรครับเปรตครับ ที่อดอยากหิ้วหวยนะเนี้ยก็เหมือนกันนะครับกระหายหายอะไรครับกระหายราบสการะเป็นตัวนั่นแหละต่อไปบอว่าจะตุทีตันหาปวุจจ ต, ตินะครับตันหาเป็นเสนาที่สของท่านนะครับตันหาที่มีลักษณะกระซิบนะ น, นะถีนะมิทันเตนะครับปัญจะมีเนี่ยนะครับปัญจะมีทีนะมิทันเตเนี่ยหมายว่าทีนะมิทะเป็นเสนาที่ห้าของท่านนะครับ มหมมันง่วงจริงๆเลยนะพอแหมตันหาอยากจะมีชื่อเสียงเป็นต้นก็เลยหลีกเล่นไปอยู่ในที่เงียบๆพอหลีบเงียบไปอยู่ไปก็โอ้ยมันง่วงนะครับเหมือนช้างมาท่วมทับเนี่ยนะครับนะครับต่อไปว่าฉัฏทาพิรูปรวุจติว่างเงินความขลาดเป็นเสนาที่หกวังเงินนะอยู่ไปอยู่มานึกกลัวขึ้นมาวังเงินความสงสัยเป็นเสนาที่เจ็ดนะครับ สัตตมีวิจิกิจฉาเตนะครับเตนี่ทีนี่หมายถึงท่านหมายถึงพยมานนะครับอันนี้เป็นคาถาที่พระมูมีพระภาคตรัสกับพยมานนะครับพยมานเข้ามาหลอกล่อพระผู้มีพระภาคนะครับทีนี้พระองค์ก็เลยตรัดคาถานี้แก่พยมานเพราะนั้นทำว่าเตเนี่ยหมายถึงพยมานความสงสัยเป็นเสานาที่7นะครับสัตตมีวิจิกิจชา ความลบหลู่ความหัวเดือความโลภนะครับความสารเสรินสักการะความเห็นผิดความเห็นผิดยศที่ได้รับแล้วการยกย่องตนและการข่มผู้อื่นเป็นเสนาที่8นะครับโอ้นะความลบหลู่คุณท่านความหัวดือความโลภความสารเสริน สการะความเห็นผิดยศที่ได้รับแล้วการยกตนและการข่มผู้อื่นนะครับพวกนี้เป็นเสนาที่แปดการทําลายนั้นเป็นเสนาของท่านมีปกติทําลายความชั่วร้ายอสูรชนะมานั้นไม่ได้นะครับก็คั้นชนะได้แล้วย่อมได้สวยสุขนะพวกนี้ก็กล่าวถึงกิเลสมานนะครับกิเลสมานที่กิเลสทั้งหลายเนี่ยนะเป็นเสนาของพยา ม, มาน หรือว่าเป็นเสนาของเทวปุตตมานะครับหมายถึงกามหมายถึงอรารติเป็นต้นนะครับส่วนโรคภัยไข้เจ็บเนี่ยนะครับเป็นเสนาแห่งมัจจุมาเหมือนอย่างที่พระผู้มีพระภาคตรัสว่าอชเชวะกิจจะมาตะปังโกนชัญญามรนังสุเวนะิโนสังครันเตนะมหาเสเนนะมัจจุนาควรทำความเพียรในวันนี้ทีเดียวใครจะรู้ว่าความตายจะมีในวันพรุ่งนี้ เพราะการผัดเพี้ยนความตายอันมีเสนาใหญ่นั้นของเราทั้งหลายมีไม่ได้เลยดังนี้นะครับอันนี้หมายถึงเสนาแห่งมัจจุราชคืออะไรครับหมายถึงโรคภัยไข้เจ็บทั้งหลายที่เป็นเสนาแห่งความตายนะครับส่วนกิเลสทั้งหลายก็เป็นเสนาแห่งเทวปุตตมานนะครับเทวปุตตมานก็จะได้ช่องเพราะฉะนั้นผู้ที่ปฏิบัติแบบนี้นะครับก็จะ ครอบงามมานพร้อมด้วยเสนาได้คือหมายความว่าถ้าปฏิบัติตามนี้ก็จะทําลายกิเลสได้นะครับถ้าทําลายกิเลสได้ก็พ้นจากความตายได้นะครับคือไม่มีปฏิสนธิก็ไม่มีพพใหม่เมื่อไม่มีพพใหม่ความตายทั้งหลายก็ไม่มีนะครับ